ขอโมทนาบุญกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในวันนี้นะครับผมก็ในฐานะของผู้ที่เคยเป็นครูมาก่อนเป็นครูรับราชการได้แค่สมปีรับราชการอยู่ที่วิเลยพระสัตรจังหวัดอ่างทองก็เป็นครูต้านพระศึกษา ทำงานได้แค่สามปีก็เลยประสบอบัเหตุในชีวิตขณะที่กำลังสอนอวิชาว่ายน้ำอาสาที่กลางกระโดดน้ำโรบิ น, นีตะก็เกิดพลาดท่าศีรษะเนี่ยไประกระแทกถึงพื้นก้นสะแล้วก็ทำให้เกิดอาการคอหักประดูกข้อที่หหัก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 สามสิบสามปีีนช่วงที่ประสบัาิเหตุใหม่ๆรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณสี่เดือนมันก็ไม่ดีขึ้นไปกว่าเดิมการเคลื่อนไหวก็ได้น้อยมากในนี้ได้แค่ขยับมือได้นิดหน่อยนะันในช่วงแรกๆสี่เดือนก็เลยต้องออกจากโรงพยาบาลเพราะาหมด โฟลต้าการรักษาของทางราชการออกมาอยู่บ้านเจ๋ยๆแล้วก็ต้องลาออกจากราชการทํางานได้แค่สามปีต้องลาออกจากราชการก็ไม่ได้เป็นครูละออกจากความเป็นครูก็เป็นแค่คนพิการธรรมดาแค่กระโดดน้าลงไปเนี่ย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 เรามันก็เป็นทุกข์มากทุกเพราะร่างกายพิการซึ่งเป็นที่เรารักและหวงแหนมากอายุตอนนั้นก็24ปีพศ2122นะกําลังมีความหวังแล้วต้องสูญเสียร่างกายสิ่งที่เรารักที่สุดคือร่างกายเรามันก็เป็นทุกข์แล้วความหวังต่างๆ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 ถูไอความทุกข์ทางจิตใจที่มันคิดบีบคั้นจิตใจเรามันก็เกิดการคิดที่ย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็นึกว่าเสียดายเสียดายอดีตซึ่งเราอาลัยอวรมากเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นคนพิการ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 ชีวิตปัจจุบันเลยไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบปีเกือบปีก็เริ่มเรียกว่าทุกข์จนพอเพียงเลยนะมันก็เริ่มคิดว่าถ้าเราขืนปล่อยจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกับความทุกข์กับความคิดอย่างงี้เราก็ต้องต้องตายไปกับสภาพของร่างกายที่พิการ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 จิตมันก็หยุดแล้วมันก็คิดว่าเราจะทำชีวิตของเราอย่างไงเนี่ยให้มันมีความหมายขึ้นมาบ้างเพราะว่ามองข้างหน้าแล้วเนี่ยเราคงจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานหรอกนะกูอยู่ได้ไม่นานเพราะสภาพร่างกายที่ผิดปกติช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยหายใจได้แค่ยี่สิบเอร์เซ็นตมันจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยก็เลยเนี่ยผมหายใจได้แค่นี้ไม่ถึงทองนะ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 มันจุนสุูญเสียไปโดยไร้ค่าสู้เราเลิกนึกถึงเรื่องราวในไดีดีกว่าศริปานมาทิ้งไปก่อนเอาอส่วนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีคุณค่ามันก็เลยพอมองข้างหน้าไม่สนใจอารมณ์หรืออะไรข้างหลังเนี่ยมองไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรได้วิธีคิดวิธีปฏิบัติ ก็สนใจว่าสิ่งที่เราควรจะทําชีวิตให้มีคุณค่าเนี่ยก็คือดับแรกคือต้องเข้าถึงธรรมก่อนเริ่มอ่านหนังสือธรรมะต้องเข้าถึงธรรมต้องดับทุกข์ให้ได้ก่อนแล้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําประโยชน์กับคนอื่นดับทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ทําประโยชน์ให้คนอื่น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 เราไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ท่านมาช่วยเหลือเราเอาอยาให้เราทานเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เราแล้วก็ให้เราทานข้าวแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ยังทาความสะอาดไม่เลิกเลยเราบอกอ๋อเราจะช่วยท่านอย่างไรเนาะมานึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเมื่อเราจะช่วยท่านนั้น วิธีการช่วยเหลือท่านได้ดีสุดคือการช่วยตัวเองช่วยตัวเองเพื่อจะลดภาระลดภาระของท่านที่จะมาช่วยเหลือเราเออเราเริ่มช่วยตัวเองก่อนตั้งแต่นั้นมาก็เลยฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองพลิกตัวเองเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวขยับตัวเองไม่ให้ท่านช่วยเหลือเราอันดับแรกคือ ช่วยเหลือร่างกายของเราให้มันเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นก็ฝืนก็ทนก็อดทนนะนะแล้วก็ต้องยอมรับในสภาพที่เรามีความจํากัดในตัวเองแต่ด้านหนึ่งคือด้านจิตใจเนี่ยสำคัญมากเราต้องช่วยจิตใจของเราเนี่ยให้มันมีความสุขขึ้นมาให้ความทุกข์มันลดน้อยลงเพื่ออะไรเพื่อลดภาระความทุกข์ของพ่อแม่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 ช่วงนันก็ได้ติดต่อกับหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคําเขียนสุวนรณวัดป่าสุกโตแก้งคราะชัยภูมิเนี่ยวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้าจะไปสานก็เป็นเจ้าวาดที่นั่นเขียนจดหมายนะเนี่ยมืออย่างเงี้ยปัญยาอยากจะพัฒนาจิตเราแพ้ตัวเองเนี่ยฝึกเขียนจดหมายด้วยมืออย่างเงี้ยนะเอาปากกาหนีบๆแล้วก็เขียนนอนเขียนนอนเขียนทีละตัว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 เนี่ยนอนเป็นบาดอยู่ที่บ้านนอนอยู่บนเตียงนอนเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งมันมันไม่ตรงกับสภาพร่างกายเราเล ย, เลยให้เราเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวได้แค่เนี้ยกระยับแค่เนี้ยแต่เราก็ทํานะก็นอนพลิกมือเล่นเนี่ยนอนฝึกสติมันเคลื่อนไหวได้แค่นี้นะแต่มีสติรู้รู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนไหว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 ลืมเผลอมือซ้ายผ้าทีหน้าต่างพ่อบอกเอ้ายกได้เลยเหรอผมก็ไม่รู้ว่าผมยกได้แต่เมื่อไหร่มันทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงยกจากการที่โยนเลยแค่นี้ลืมความคิดอดีตอนาคตมาฝึ ก, กปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการพัฒนาร่างกายพัฒนาร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วจิตเนี่ย มันก็เป็นปกติมันสงบและมันตื่นมันตื่นรู้ตื่นตัวตื่นออกมาจากความคิดฟุ้งซ่านโดยที่ไม่เข้าไปในความฟุ้งซ่านแต่ตื่นออกมาเห็นความคิดที่มันฟุ้งซ่านจิตมันพ้นจากการปรุงแต่งจากความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปกติมันก็โปรงใสแล้วมันจะคิดจานอะไรมันก็ได้คล่องแคล่วว่องไว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 อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อคำเกียนท่านก็ให้พระที่วัดป่าสุกโตมามาดูผมที่บ้านแล้วก็เชิญจุ้ยไปอยู่ที่วัดป่าสุกโตชวนไปอยู่วัดป่าสุกโตให้ไปปฏิบัติให้ไปพักผ่อนด้วยและไปปฏิบัติธรรมการไปอยูวัดป่าสุกโตเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกด้านจากการช่วยตัวเองได้แล้ว ไปอยู่ที่วัดเหมือนอยู่ในแดนงานที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมหลวงพ่อไปอยู่วัดให้ไปอยู่บนอุตติที่อยู่บนภูเขาสูงมากแต่เวลาใครมีความทุกหลวงพ่อเก็จะส่งให้ไปหาคนที่มีความทุกข์ท่น้านจิตใจร่างกายเป็นปกติมีพร้อมทุกอย่างแต่ใจยังหาความสุขไม่ได้ ลุงพ่อก็เวลามีคนเอาของมาถวายท่านบอกว่าอ๋อเอาของนี้ไปให้อ่ให้อาจารย์กระพงอยู่ข้างบนเขาก็เอาของจากที่ถวายลุงพ่อเนี่ยเอาไให้ผมเขาไปเจอผมเนี่ยซึ่งสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็นอนยิ้มอยู่บนคนที่มีความทุกข์เลยได้กำลังใจเลยเขามีพร้อมทุกอย่างนะแล้วแล้วก็จะทุกไปทาไม เน่งจาคนที่ทุกข์มากกับเรามันก็มีนอนยิ้มได้เขาได้กำลังใจวันดีคืนดีเวลามีกลุ่มมาปฏิบัติธรรมอยู่ข้างล่างก็มีพระสองรูปทำแค่ได้ผมนอนแล้วก็หามผมลงมาอามาพูดธรรมะกับพูดวิธีคิดวิธีปฏิบัติตนให้กับกลุ่คนทั่วไปฟังอยู่มาวันหนึ่ง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 นะมองว่าที่เขาเป็นส่วนใหญ่ที่ตรงนี้หละเลยอุทิศตัวเองให้เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมไม่ได้เป็นครูแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมเป็นปากให้พระธรรมเป็นเสือให้พระธรรมไม่มีอาจารย์กำพลไม่มีใครทั้งนั้นเราคืออุปกรณ์ของพระธรรมผูนะ้ธรรมะเป็นตื่อธรรมะ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 เราช่วยตัวเองเได้แค่หนึ่งแต่เราช่วยแล้วกอื่นเนี่ยมันมีคุณค่ามาหาศาลกว่าเราก็ได้กำลังใจจากหลวงพ่อที่จะพูดอะวคุณอื่นต่อไปก็ทำแบบว่าทำให้อ่ะก็ทำให้อย่างนี้มีวันหนึ่งไปพูดธรรมะที่วัดถ้มวัฒนมงคลมีพระกุณเจ้า เชิญไปที่นังเขาอบรมนักเรียนในร้อยตํารวจที่บวชในช่วงที่ปิดเทอมนักเรียนร้อยตรวจบวชตอนปิดเทอมบวชเพื่อถวายในหลวงนี่แหละในว่าฤดูร้อนขณะที่พูดทําไมกับกลุ่มไม่เรียร้อยตำรวจฟังเนี่ยถ้าก็ถาม ท่านถามถามเป็นปิศนาธรรมท่านวาพัดลมพัดลมสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นพัดลมที่มีสามใบสมบูรณ์ทุกอย่างกำลังหมนุนอีกเครื่องหนึ่งเป็นพัดลมที่ใบงีบ ง, ง, งองพัดลมที่มีใบงีก ง, งองหมุนเหมือนกันนะ หมุนเหมือนกันแต่ใบเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบงิ๊งอเขาบอกไอ้พัดลมที่ใบไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเขาหมายถึงผมเขาบอกว่าพลังของพัดลมที่หมุนไปเนี่ยได้จากพลังอะไรพลังของพัดลมที่หมุนไปเนี่ยใบงอเงอเนี่ยมันได้จากพลังอะไรผมบอกได้จากพลังธรรมธรรมะสองข้อที่ทาหน้าที่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 ฝึกการตรัดสินในชีวิตประจำวันให้อยู่กับปัจจุบันมันแก้ได้ทุกปัญหาเลยเจิ่งคุณหมอครับผมนะ <c oughs> ขอพระเราปรบมือนะครับให้กับเคุณกําพลนะครับ <c oughs> ผมยังพอไหวไหมฮะไหวอีกสักนิดนะฮะตอนนี้ถึงแม้จะเป็นให้เวลามากที่สุดแต่ว่าก็ อ, อยากจะให้คุณกําพลได้อยู่กับ <c oughs> เรานะครับรอาจารย์กำพลอยู่กับเรา นะครับจนกระทั่งอีกสักเที่ยงเลยได้ไหมครับพออีกสักสินาทีนะครับเผื่อจะมีคําถามด้วยแต่ย่าดีทําไม่ลุกผมก็ไม่ลุกครับรับรองผมไม่ลุกลงไปก่อนแน่เป็นนั่งอยู่เงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครนี่คือผมก็เพิ่งได้ความรู้นะครับกับการเคลื่อนไหวอย่างที่ว่าคือการเจริญสตินี่นี่คือธรรมโอสถนะฮะที่ผมเองเป็นแพทย์ก็ต้องยอมรับเลยครับว่า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 มีในวันนี้ที่คุณกำพลอาจารย์กำพลได้แสดงต่อเราอยู่นี่เป็นบอกว่าเป็นอุปกรณ์ทางธรรมปรบมือให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่สู์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราได้ธรรมโอสถไปอยู่กับเราต้องช่วยกันรักษานะครับก็ในฐานะของคนที่มีหน้าที่เป็นครูแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของพระธรรม ก็จะเราถึงผลงานตนนิดหนึง่งมียาติธรรมที่มีความทุกข์เพราะว่าอยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุราเขาเข้ามาปรึกษาผมเขาบอกเขาจะทำยังไงที่จะเลิกดื่ม ula, สุราเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ภายในพรรษาเขาพยายาม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 จนลืมหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยแนรนับอกว่าลดทิฏิมณะซะเรามองเนี่ยจุดศูนย์รวมผลจิตใจอยู่ที่ลูกจุดศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ลูกอาศัยความเมตตาและความรักต่อลูก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 รสนะิทธิมานะเพราะนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็ตาม mm hmm. ก็ต้องทำตามหน้าที่คุณวิลยเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยคิดฆ่าตัวตายบอกอย่าเพิ่งฆ่ามามาทำหน้าที่มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเอาชนะความคิดที่คิดฆ่าตัวตายให้ได้แล้วก็จะอยู่จะอยู่อย่างมีความสุขเดี๋ยวนี้เขาเลิกฆ่าตัวตายแล้ว เพราะนั้นถ้าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่เนี่ยรวมพลังสามคัคคีทำดีเพื่อเป็นดินเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่โดยอาศัยผลประโยชน์ของแผ่นดินเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจนโดยเฉพาะการละความชั่วการทำความดีเนี่ยอันนี้ถือว่าทำดีกับแผ่นดินแล้ว แต่ทำความดียังไม่พอบางทีทำให้เราเป็นทุกข์เพราะไอความติดดีมีตัวตนที่ดีอยู่มันต้องมีวิธีการเรียกว่าเป็นธรรมโอดสดเนี่ยเป็นแพทย์ทางรอดคือการฝึกสติฝึกสติภาวนานะให้อยู่กับปัจจุบันทำจิตนำใจให้สูงจากความดีให้อยู่เหนือดีโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าทำความดีเพื่อจะให้เราดีแต่ทาความดีเพื่อความดี ลบความเป็นตัวตนออกซะมันจะไม่มีความทุกข์เรื่องความดีเลยเอาชนะตัวนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําหน้าที่อย่างไม่มีความทุกข์ต้องทําหน้าที่ด้วยความมีสติด้วยความรู้สึกตัวที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือทําที่สุดแห่งความทุกข์